เรื่องพระเถระสองพี่น้องสมัยนั้นมีพระเถระสองพี่น้องคือท่านพระอิสิธาสะและพระอิสิพัฒย์จำพรรษาอยู่ในกรุงสาวัตถีได้เดินทางไปอาวาสใกล้บ้านแห่งหนึ่งคนทั้งหลายกล่าวว่านานๆนนพระเถระทั้งหลายจะมา จึงได้ถวายพระตาหารพร้อมด้วยจีวรภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ประจําในอาวาสถามพระเถระทั้งสองว่าท่านขอรับจีวรของสงเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยพระเถระพระเถระจะดินดีส่วนแบ่งไหมพระเถระทั้งสองกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพวกเรารู้ทั่วถึงธรรม